บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปอวิชาคือความไม่รู้ซึ่งเป็นรากเง่าของสรรพกิเลสทั้งหลายนั้นพระมีพระเจ้าทรงจําแนกสแสดงไว้โดยนิยตต่างๆเป็นเั่นมากและเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วก็คือเรื่องของความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ประการ แต่ความไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและทั้งกฎของปฏิจจสมุปบาทซึงอันที่จริงแล้วปฏิจจสมุปบาทกับปริยศาสต์ทั้งสี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันแตกต่างกันในรูปขององค์ธรรมการจําแนกแสดงอธิบายเท่านั้นรูปการใหญ่ที่มีวิชาปิดบังเอาไว้ก็คือเรื่องของ อริมักมีย อ, องคป8ประการที่เป็นฐานสำคัญให้เกิดดิโรธทำลายสมุทยัยและความหมดสิ้นไปของความทุกข์ซึ่งกรณีท่านสาชนหลายจะสังเกตได้ว่าธรรมะทั้งปวงที่ทรงจำแนกแสดงไว้นั้นจะเป็นธรรมะกลุ่มของอริมักมีย อ, องค์ดส่วนใหญ่ คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคําสอนในภาษาบรปิฎกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของอริยมรรคเสียไม่น้อยกว่าเจบหเรื่องนิโรธเป็นคําสอนเพียงเล็กน้อยและเรื่องรองลงมาก็คือเรื่องของสมุทยัยต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของความทุกข์แต่ในความเป็นอริยมรรคในอประการนั้นก็มีการจําแนกแสดงแย ก, กแยะไว้โดยเนยะาที่แตกต่างกันออกไป มันดูแล้วคล้ายๆจะแตกต่างกันในทั้งเนื้อหาและพยัญชนะแต่จริงแล้วแตกต่างกันเฉพาะพยัญชนะเท่านั้นคือใช้ภาษาเรียกเท่านั้นเองแต่โดยเนื้อหาแล้วจะเหมือนกันจะยิ่งจะย้อนกันในด้านความเข้มข้นขององค์ธรรมดอก น, นั้นเท่านั้นเพราะความไม่รู้ในอริมัคมีองแปะจึงกลายเป็นอุปสรรคอย่างแรง เะอเรียมารคพปเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดผลคือนิโรธและเหตุแห่งความทุกข์กับตัวความทุกข์ก็ต้องดับไปเพราะการบังเกิดขึ้นของนิโรธและก่ารตึกกล่าวถึงความไม่รู้ในสมมติฐิซึ่งเป็นอริยมารคข้อแรกก็จะก่อให้เกิดการมืดบอดในเหตุผลและการใช้สติปัญญาของบุคคลทั้งหลาย ไม่สามารถจะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของกระบวนการของเหตุผลที่ทยอยกันไปได้จึงมีลักษณะการมองที่ติดตันอยู่ยในจุดใดจุดหนึ่งที่ก่อให้เกิดเป็นความเห็นผิดซึ่งทรงต้องแนกแสดงไว้ในสมัยพุทธกาลถึง62ประเภทด้วยกันเมื่อเรามองดูก็จะพบว่าความเห็นผิดเหล่านั้นบางครั้งเป็นความงมงายเป็นความร้ายเหตุผลอากมาก เป็อคนอยู่ในที่มืดมันก็มองอะไรไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็พูดไปตามคนที่อยู่ในที่มืดเท่านั้นเองในคนนี้ดังส่งแสดงไว้ว่าโลกคือหมู่สัตว์อนวิชาปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดอยู่ใ น, ในที่มืดพอพูดถึงความมืดเราก็เห็นเป็นภาพชัดเจนว่าไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ไม่สามารถจะทำอะไรได้ ก็ถูกความมืดทุ่งผอปิดบังเอาไว้แล้วถ้าขืนทาลงไปโอกาสที่จะพลาดมันก็มีมากนั้นความเห็นเหล่านี้ท่านจึงเรียกรวมอีกทีหนึ่งว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งกับหมายความมาตรงกันข้ามกับสมาทิติเป็นอีกสายหนึ่งเวลาเรียกเป็นทางท่านก็เรียกสองทางเรียกว่ามิจฉามากักคือทางผิด กับสมัมมามัตยคือทางชอบเพราะอาริมัตย์ไปองแปดก็คือสมัมมามัตยทางชอบมิชอามาัตยก็คือทางผิดที่เริ่มด้วยความเห็นผิดแต่ถามว่าทำไมเห็นผิดก็เพราะว่าปัญญาถูกปิดบังเอาไว้ด้วยอวิชชาก็จิตใจของบุคคลก็มืดปอดก็ ค, กคกกอยเกิดความเห็นผิด และภาพเหล่านั้นก็สะท้อนเป็นรูปของบุคคลออกมาในระดับต่างๆเป็นพฤติกรรมที่ให้ผลก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกัอนออกไปชนิดที่มืดบอดมากมาๆท่านก็ชี้ไปที่ตัวสัตว์ติรชานซึ่งเป็นอาการของโมหะชัดเจนการเคลื่อนไหวต่างๆการไปไหนมาไหนของสัตว์ติรชานนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้สัญชาตญาณ แล้วก็ไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นพราการตายของสัตว์เดชานแต่ละทีแต่ทีจึงตายกันมากๆไม่ว่าจะด้วยการดักหรือการทำลายของมนุษย์โดยภัยของธรรมชาติก็ตามเพราะว่าขาดตัวความรู้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางนั่จริงตรยนั้นในระดับของคนคนที่มืดบอดมาก โบราณท่านเรียกว่ามนุษสัตว์เดรัจานโอแปลว่าร่างกายเป็นมนุษย์จริงแต่ว่าจิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานในภาษาบาลีจริงๆทรงใช้คําว่าอันธพารกเรียกเรียกว่าอันธพานคําว่าอันทะแปลว่ามืดภาละแปลว่ายาวหรืออ่อนอ่อนหรือด้อยเราอาจจะเรียกเด็กที่ยาวๆก็ได้ก็เรียกว่าภาละ มาความม่มีปัญญาน้อยเราก็อยู่ท่ามกลางความมืดบอดด้วยถ้า ม, มืดบอดเพราะอะไรก็มืดบอดเพราะปัญญาบัรน้อยการที่ปัญญาบันน้อยนั่นเองก็ก่อให้เกิดการมืดบอดเพราะพฤติกรรมของคนที่เป็นอันตรภาคจึงเป็นการทำลายทั้งตัวเองและทำลายทั้งบุคคลอื่นจชงนการนำตนนั้นตกอยู่ในหลุมบ่อของอภัอยจะกมกเกลือกกล้วอยู่ด้วยปัญหาจากกรรมต่าง บางครั้งบางครั้งประกอบกระทำอาจจกรรมผิดสี่ท่ารวดเดียวหรือผิดได้ครบกันตั้งห้าข้อแล้วตัวเองก็ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนมีการถูกจับกลุ่มคุมขังถูกตัดสิ้นจำคุกถูกประหารชีวิตนั่นเป็นภาพของอันตรพาลรรนุมาท์เขเรียกผ่านหมายความว่าปัญญาน้อยมีการกระทำที่ผิดมากกว่าถูก ซึ่งในกรณีที่ถูกก็ดีไปในกรณีที่ผิดก็จะเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ตนเองก็เรียกว่าเป็นผิดเป็นภัยต่อตอนเองและเป็นผิดเป็ น, เ ป, นเป็นภัยต่อบุคคลอื่นระดับรองลงมาท่านเรียกว่าปุถุชนเร็วคนที่มีกิเลสยังหนาอยู่แสดงว่าพื้นฐานของวิชายังมีอยู่มากภายในจิตใจของบุคคลนั้น ออามาในรูปของแยกแยะไม่ชัดเจนระหว่างบาคุณขุนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วทั้งหลายแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของปุถุชนจะถูกปรักสาเสืกสายไปด้วยอํานาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภายในบ้างเกิดขึ้นจากภายนอกบ้างหรือเกิดขึ้นผสมกันบ้างตน้นพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้มีลักษณะที่ก้ามกึง่งระหว่างความดีกับความชั่ว ชั่ก็ไม่มากเกินไปดีก็ไม่มากเกินไปประสบความสุขความทุกข์ปนคระ ก, กันไปเป็นวิชีชีวิตของชาวโลกทั่ ว, วไปที่ยังไม่ค่อยได้หลักในเรื่องของจริยธรรมกรณี้ท่านสาธารณรัยมองย้อนกลับไปที่ธรรมเทศนาสุดรแรกคือธรรมจั ก, กรวรรตสุดที่ทรงแสดงโทษของการมสุขานิกาโตโยคือการเกี่ยวข้องหมุก ม, มุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องของกรรมคุณทั้งหลาย ทรงสอนคนระดับที่เรียกว่านักบุตรหรือบรรพชิตว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นและทรงเชื่อเห็นว่าเป็นของต่ำฮีโนเป็นของต่ำโปทุชนิโกเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสนาม า, ามายความระดับของการครองเรือดตามกิเลสเหล่านี้มีความรุนแรงโลภแรงไปโกรธแรงไปหลงแรงไปริษยาแรงไปอาฆาตพยาบาดแรงไป แม้คนอื่นจะไม่เป็นศัตรูกับตนเองแต่ความคิดของตนเองนั่นแหละจะเป็นศัตรูต่อตนอย่างที่ทรงแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่มีความเห็นผิดนั่นหรือมีความดำริผิดและมีความเห็นผิดนั่นจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วก็มองเห็นทิงสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ ก็หลงผิดเราคิดผิดเรเห็นผิดจากการที่เขามีความรู้สึกอย่างนี้ในชีวิตของเขาโอกาสที่จะประสบสิ่งที่เป็นสาระมันก็ปิดหน่อยเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงสแสดงแก่ภาษาบุตรพระโมคคัลลานะเมื่อขอเข้ามาบวชเป็นการยกตัวอย่างของท่านสัญชัยปริภายชกที่ท่านหมัวมองหมวกหุ้นเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่กับความเป็นเจ้าลักชชี ทั้นที่เป็นเจ้ารักที่ที่ผิดนอกจากตัวเองคิดผิดเห็นผิดพูดผิดแล้วยังไปชักชวนคนอื่นให้มีความเห็นผิดตามไปด้วยแล้วเป็นหลงในสถานะความเป็นความเป็นคณาจารเจ้ารักที่ที่จริงไม่ใช่ยั่งยืนนานไรราความเป็นเหล่านั้นในที่สุดมันก็กลับไปสู่ความไม่เป็น จะทิ้งมารดกบาปเอาไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังจึงทรงแสดงว่าไปมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งที่เป็นสาระตรัวการใหญ่มันก็อยู่ที่ความเห็นพรามเห็นมันก็สืบเนื่องมาจากความรู้หรือความไม่รู้พอเริ่มจากความไม่รู้ความเห็นมันก็กลายเป็นความเห็นผิด เนื่องจากคนเราจะทำจะพูดอะไรมันก็ออกมาจากความคิดของเราถึงเมื่อความเห็นเราผิดความคิดมันก็ผิดก็ ค, คิดผิดพูดผิดทำผิดผลมันก็ออกมาเป็นการสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานต่างๆให้บังเกิดขึ้นท่านพึงสังเกตว่าคาสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเข้าไปสู่เป้าหมายคือสมาธิ ก็เริ่มต้นใยสมาธิจิตแล้วจบที่ความสมบูรณ์ของสมาธิจิตบนพระเจ้าประหารทั้งหลายที่ท่านบอกว่ารู้นั้นก็ถามมารู้อะไรก็คือรู้อริยสัจสิตามความเป็นจริงขัจัดอวิชชาออกไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่บนเส้นทางการปรฏิบัติจะมีลักษณะค่อยๆขัดเกลาไปเพออราะอรเพราะคนเราเกิดมาจากอวิชชาเรียกว่า ม, มืดมาตั้งแต่ต้นแล แต่นั้นจะสังเกตได้ว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นเกิดมาโดยความไม่รู้อะไรเลยแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้สำเนียกไปเรื่อยๆแต่คนที่สอนบ่อยสอนมากสอนตน้ตนๆก็คือพ่อแม่เพราะพ่อแม่จนจึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่ลกูกบอกสิ่งนั้นเป็นนั้นคนนั้นเป็นใครอะไรต่ออะไรเนี่ยอะไรเป็นอะไรก็บอกไป ส่วนมากจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรกันในตอต้นๆและจากการเป็นผู้แสดงโลกี้เกศโลกท่านจึงเรียกพ่อแม่อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรกของโลกเพราะอะไรเพราะว่าลูกแต่ละคนเกิดมาโดยความไม่รู้คือตัววิชาสัมผัสโลกปั๊บมันก็ไม่รู้แล้วการเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้จากจุดของการเรียนรู้นั่นเอง ปัญหาต่างๆมันก็ติดตามมาว่าไปเรียนกับใครเพราะว่าคนในโลกนั้นมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีภูษาณาจา์จึงเป็นเน้นที่ตัวอาศัยวัฒนัรจมใจคือการคบหาส่องเสษสมาคมการเกี่ยวข้องว่าเราเติบโตมาในที่ใดเราเกี่ยวข้องกับใครความคิดความเห็นของเราก็จะสอดรับกับคนที่เราเกี่ยวข้องเ่านั้น ตอนนอีท่านเล่าเรื่องนกแขกเต่าสองตัวพี่น้องซึ่งตกลงไปในสำนักของคนที่แตกต่างกันตัวหนึ่งไปเติบโตในสำนักของโจตัวหนึ่งไปเติบโตในสำนักของฤษีความคิดเห็นของฤษีพฤติกรรมการกระทำของฤษีกับโจตนั้นก็เรียกว่าจากหน้ามือไปหลังมือมันกลายเป็นการสร้างลักษณะนิสัยของนกแก้วทั้งสองตัวให้เปลี่ยนไปตามบุคคลที่แวดล้อมและสภาพที่แวดล้อม เราจะเห็นว่าโดยกำเนิดจริงๆมันก็คือนกแกะตาวด้วยกันแล้วก็ไม่รู้มาด้วยกันแต่จากการศึกษาสำเนีกเรียนรู้นั้นพวกโจรมากไปด้วยอวิชชาเพราะมากไปด้วยอวิชามันก็ทำให้มากของโลภมากโทสะมากโมหะมากริสยามากแข็ดีมากการเบียดเบียนปัสสาวะกันมันก็มากไปหมดแต่ก็เป็นการมากของกิเลสใจจิตใจที่สะสม ความเลวร้ายต่างๆไวมากพฤติกรรมที่แสดงออกในพูดจาจะพูดจะจาจะทําอะไรทึกนกแขกเต้าได้ซึมซับเข้าไปนั่นแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความรุนแรงของกิเลสออกมาในขณะที่ฤูสีมีความโลภลดลงมีความโกรธลดลงมีความหลงลดล ง, ม, ม, ลลดลงมีความริษยาคาดลดลงจนบางครั้งเราก็ไม่เห็นอาการเหล่านั้น วันเวลาท่านพูดแลาวก็พูดในสงบเ้าเรียกว่าสันตมโนคือใจมันสงบก่อนพอใจสงบเวลาพูดมันก็เปสันตะวโจคือวาจาที่สงบเป็นสันตกายโ ย, ย, ยกายก็สงบ น, นอกอข่เต้านกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งก็ซึมซับลักษณะเหล่านั้นเอาไว้กลายเป็นนกที่มีศีลมีธรรมมีสัมมาคารวะมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อบุคคลทั้งหลาย พราจากจุดนี้แหละท่า น, นจะเห็นว่าพระเจ้าก็วางมงคลสูตรเอาไว้โดยอยากควบคนผ่านแล้วก็ให้ครบบัณฑิตอ้ยกย่องเทิดทูนบูชาสักการะต่อคนที่ควรยกย่องเทิดทูนบูชาสักการะเพื่ออะไรเพื่อสร้างลักษณะนิสยัยเพื่อเพิ่มปูนตัววิชาคือความรู้ในเรื่องราวต่างๆให้มากยิ่งขึ้น ต่ตัวความรู้เหล่านั้นก็มีลักษณะเหมือนแสงสว่างวิชานั้นเป็นความมืดเมื่อความรู้เพิ่มขึ้นมันก็กระจัดความมืดได้ลดลงไปแต่ในความเป็นปุตชนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสนั้นมันก็อยู่ที่แกว่งไปหาใครถ้าไปในที่ที่จะเพิ่มกิเลสเราจะเห็นว่ากิเลสมันเพิ่มอย่างแม้แต่คนทุกๆคนและท่านทั้งหลายเองจะสามารถสังเกต ดูได้ที่จิตใจของเราวัในใดขนาดใดเช่นสมมติว่าจะไปดูโทรทัศน์จะมีเรื่องรุนแรงมีเรื่องเขีนข่ามีเรื่องเบียดเปลี่ยนกันและจิตใจเราจะไหวตามคล้อยตามไปมีความรุนแรงมาเกิดขึ้นภายในใจไปสถานที่บางแห่งมีความสงบมีความเยือกเจ็นมีความร่มรื่นจากสถานที่นั้นจะในกรณีของธรรมชาติ พวกป่าพวกเขาพวกทะเลพวกท้องทุ่งทั้งหลายบรรยากาศที่สงบบรรยากาศที่เย็นเราเข้าไปอยู่ที่นั้นมันก็ถูกบรรยากาศครอบงำก็กลายเป็นสงบเย็นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไปในสถิตสถานที่บางแห่งมีความขัดแย้งมีการต่อสู้มีการปลุกระดกจิตใจเราก็ไหวตามไปนั้นเป็นภาพเตือนได้ชัดว่า สิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรามากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดเรวหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับคลื่นที่มีอยู่ภายในที่ส่งแสดงออกมาเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเรียกว่าบารมีคือความดีหมายความมีเชื่อกลุความดีอยู่ภายในใจมากถ้าไปเจอสิ่งไม่ดีแล้วก็กลายเป็นภนมกตานฐานป้องกันเอาไว้ได้ บางทีมันก็กลายเป็นของดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองคือจะตกอยู่ในโคลนในตมมันก็โคลนตมก็ซึมเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าบารมีไม่แกร่งพอมันโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คล้ายๆกับพวกบางทีใจคนมันก็ฝองน้ําเราจะเห็นว่าซึมซาบได้รอบตัวถ้าไปวางที่ดีก็ดีไปแต่วางที่ไม่ดีมันก็ไปกันไกลๆคือซึมซาบได้มาก เพรตรงนี้แหละท่านท่านจึงแสดงถึงพื้นฐานที่เรียกว่ามีอวิชชาอยู่มากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือความเห็นผิดในในหลักใหญ่สิบหลักสิบข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงเน้นไว้มาเพราะว่ามันเป็นฐานเป็นฐานที่ก่อให้เกิดการครองตนได้การควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่เคยเจอองค์ธรรมอยู่บ่อยๆว่า ที่ใดที่ทรงสอนศรัทธาที่นั้นทรงสอนปัญญาแต่บางแข่งที่ทรงสอนปัญญานั้นไม่จําเป็นจะต้องสอนศรัทธาด้วยก็ได้แต่เราจะพบองค์ธรรมอีกข้อหนึ่งคือสติผลสติปัญญาศรัทธาก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็อิงอาศัยกันศรัทธากับปัญญาจะต้องขาดกันไม่มากไม่น้อยสติด้านมากเท่าไรก็ได้ สติกับปัญญานั้นจะทำงานประสานกันซึ่งก็หมายความมาเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนอกวิสยัยเราไม่สามารถจะตัดสินวินิจฉัยได้โดยตัวเราเองเราก็ใช้ศรัทธาแต่แส่วนใดที่พอมีปัญญาวิเคราะห์วินิจฉัยได้เราก็ใช้ปัญญาเพราะความเห็นผิดที่ส่งตําหนิเอาไว้มากเพราะว่ามันทําลายฐานความเชื่อในกรรมในสังสารวัฏ สื่อหมายความว่าถ้าเราปฏิเสธเรื่องกรรมทางสารวัตรจะเข้ารบกะพงกันไปใหญ่เพราะอะไรเพระคนจะไม่ยอมทําความดีหรือละความชั่วเพราะถือว่าชีวิตเราเกิดมาคนเดียวก็ตายเดียวก็ปล่อยไปยจะทําอะไรไปตามอํานาจของอารมณ์แทนที่จะทําอะไรไปตามอํานาจของเหตุผลเพราะจุดเด่นของคนที่เรียกว่ากิเลสน้อยเบาบางระดับพระอริยบคุคคลท่านจึงเรียกมีคําอีกคาหนึ่งว่าการณวสิโก เป็นผู้ทําอะไรไปตามเหตุผลคืออยู่อํานาจของเหตุผลอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรนั้นจะมองได้อย่างตลอดนั้นแสดงเห็นว่าอะไรแสดงว่าท่านเข้าใจกฎของปฏิจจสมบัติกฎของอริยสัจกฎของธรรมชาติทั้งหลายแต่ที่จะมองอะไรให้มันตันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็มองในรูปที่เป็นกระบวนการซึ่งต่อเนื่องถยอยกันไปไม่ขาดสายสับเท่าที่ยังมีเหตุปัจจัยอยู่ ม, มองใกล้ๆกับน้ำไหลควสว่างคือถ้ามีเหตุปัจจัยอยู่มันก็ไหลมันก็สว่างอยู่ได้ตลอดไปเพราะว่าสิ่งทหลานั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเรื่องเหนี้ทรงตําหนิทรงสแสดงตําหนิไว้ในที่ต่างๆสําหรับคนที่ยังมีความเหียผิดมืดบอดตรงนี้นั่นคือการปฏิเสธเรื่องของการให้ทานเรื่องของการบูชาเรื่องของพฤติกรรมทั้งหลาย ตลอถึงเรื่องการกระทำทั้งดีและไม่ดีของคนทั้งหลายตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเพราะความเห็นผิดเนี่ยทำให้คนปฏิเสธว่าไม่มีจากความเห็นว่าไม่มีนั้นมันก็กลายเป็นทิฏฐิประเภทหนึ่งที่เ ร, เรียกว่านัตทิกะทิฏฐิคือปฏิเสธว่าไม่มีปฏิเสธว่าไม่มีมันก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีเหตุแห่งความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญเพราะงั้นคนก็ไม่ต้องไปประกอบเพตุ ก็อยู่ในลักษณะรอค อ, อยโชคชะตาหรือถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าถือว่าเป็นเรื่องของการดนบันดาลมนุษย์ไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวได้เพราะว่าปฏิเสธไปแล้วในกรณีนี้ปฏิเสธในส่วนเหตุที่ก่ให้เกิดผลดีงามต่างๆและเมื่อใจเราหนักไปในทางด้านของวิชา การเป็นเหตเหตุที่ก่อให้เกิดผลดีงามนั้นก็ทําให้คนไม่ยอมประกอบเหตุเหล่านั้นเมื่อไม่ประกอบเหตุผลไม่เกิดขึ้นมาจากเหตุเมื่อไม่สร้างเหตุผลก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่อยู่ในโลกอย่างทรงช้คำว่าสั ก, กว่าลมหายใจเข้าออกถ้าถามคนประเภทนี้คือคือคนประเภทไห น, นก็คือคนประเภทคนผ่านนั่นเอง ผนผ่านหรือบางทีแรงก็กลายเป็นอันตาานนังกล่าไว้ในตอนต้นแต่การต่อไปนั้นก็คือการปฏิเสธเพราะมารดามไม่มีบิดามไม่มีมารดามไม่มีคุณบิดามไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีตลอดถึงสัตว์ที่ตายแล้วเกิดอีกไม่มีคร่อนี้ป็นสังเกตว่าเป็นการปฏิเสธกฎของสังสารวัฏ ถึงกฎของสังสารวัตรมันสืบเนื่องมาจากกรรมกรรมมันสืบเนื่องมาจากกิเลสเราแสดงว่าไม่มองเห็นโทษของกิเลสและเป็นเหตุให้คนละเลยกรรมคือละเลยในการกระทําความดีเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความมีอยู่ของสังสารวัตรและการดำรงชีวิตมันก็มีแต่ความทุกข์เพราะไรเพราะปฏิเสธคุณของพ่อแม่ เมื่อปฏิเสธคุณก็ไม่ก็กลายเป็นคนที่มีความอากตัอยูตรงนี้ก็เป็นการปฏิเสธทั้งกรรมและสังสารวัฏแต่ตัวการที่เราเห็นชัดก็คือปฏิเสธสังสารวัฏถึงความรู้เรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏนั้นเป็นความรู้ระดับยานจึงจะกลายเป็นความรู้ที่ถู ก, ถ ก, ถกต้องได้ตลอดประชนมาชีพของพระพุทธเจ้า35ปีเต็มนั้น พระเจ้าไม่ได้แสดงเรื่องนอนี้แม้ตอนที่ยังเป็นนักบวชก่อนจัดสรุก็ไม่แสดงเรื่องนี้เพราะจริงๆพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะาตอนที่รุ่งทรงรู้นั้นก็คือตอนจัดสรุปเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็นำมาแสดงโดยอาศัยการรู้จากประยานทั้งสองคือประยานที่ระลึกชาติได้กับประยานที่รู้ความแตกต่างของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกับ คนอยู่ในที่สว่างเขาบอกเขาตามความเป็นจริงแต่คนในอยู่อยู่ในที่มืดกลับปฏิเสธซึ่งหมายความเหมือนคนตาบอดปฏิเสธสีสีต่างๆปฏิเสธสีต่างๆเพราะใสยความตาบอดของตัวเองทั้งๆที่สีเหล่านั้นก็มีอยู่แต่เขาก็ปฏิเสธเพราะเขามีเห็นกนผ่านเองก็มีลักษณะอย่างนี้น เพราะิงนี้จะก่อให้เกิดเป็นความเห็นประเภทหนึ่งขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าอกขริยทิฏฐิถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระ ท, ทําอเยตุกาทิฏฐิถือว่าผลทั้งหลายนั้นไม่เกิดมาจากเหตุมันก็กลายเป็นทิฏฐิที่แรงที่ทรงใช้คาว่านิยตะมิชาทิฏฐิคือมิชาทิฏฐิที่ดิ่งลงไปปักลงไปถ้าไม่แก้ตรงนี้แล้วตรงอื่นเลิกพูดกันคือไม่มีทางจะกระทําอะไรได้ คนนี้ผมสังเกตว่าคณาจารย์เจ้าลัชชีต่างๆในสมัยพุทธกาลนั้นที่จริงบางท่านไม่ใช่ความเม็น่นแรงอะไรท่ายแต่เป็นการปักใจอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งไม่ยอมคลายแต่นั้นเองอย่างท่านสัญชัยปริภาชกที่ว่าไว้ในตอนต้นอาจารย์อดีตอาจารย์ประสานิปุธที่จริงท่านยอมรับเอาพระเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยอมรับพระเจ้าศัตรู พระเจ้าจะชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เก่ดลกแต่ว่าการใช้ท่านซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าให้เราสังเกตว่าติดความแก่ก็ติดความเป็นขนาอาจารย์เจ้าลัชชิคือกลัวจะเล็กมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากความหลงเพราะความดีกับความแก่มันไม่ใช่อยู่ร่วมกันเสมอไปคนเราอายุมากยังไงก็ได้บางทีกิเลสยิ่งมาก อายุอาจจะน้อยแต่ว่ากิเลสยึงน้อยเพราะงั้นตรงนี้จึงไม่ใช่เงื่อนไขกับหนวดว่าตัวเองดีหรือตัวเองไม่ดีทีนี้พวกความเป็นเจ้ารับชิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าความเป็นเหล่านั้นที่จริงมันไม่ได้เป็นจริงแต่เป็นด้วยความยึดมัน่นหรือมั่นเป็นการยอมรับนับถือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมามันก็กลายเป็นเจ้ารัชธิขึ้นมาแล้วตั้งก็ไมยอมออกความพระพุทธเจ้า ซึ่งมีโอกาสมากๆเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมปฏิบัติธรรมมันก็ปิดประตูตัวเองตายมุมความเห็นตรงนี้จึงถือว่าเป็นความเห็นที่เป็นอันตรายเพราะาปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและที่ร้ายก็อาจจะดึงคนทั้งหลายให้ประสบความเดือดร้อนไปด้วย แล้วก็ปฏิเสธเรื่องการท่านที่ จ, ะจะัตุรูดี <c oughs> จ, ะจะัตุรูชอบโดยตนเองและสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามถึงหมายความปฏิเสธเลยมาจนถึงความมีอยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกด้านความเบนตรงนี้เมื่อเราสาวไปก็จะพบว่าเป็นเรื่องของอวิชาทั้งหมดมรมาจากอาวิชาทั้งนั้นอวิชาจึงเป็นตัวร้ายและเป็นที่มาของสัพเพกิเลสทั้งหลาย การปฏิบั ต, ติตนเพื่อความเป็นผู้รู้ก็เพื่อขจัดตัววิชานันเองเมื่อลดเมื่อขจัดตัวอวิชาคือความไม่รู้ออกไปได้ความรู้ก็จะเกิดขึ้นภายในใจใจจะใสใจจะสบายใจจะสว่างใจจะสงบและใจของใครก็ตามที่เป็นเช่นนั้นก็จะช่วยบุคคล น, นั้นประสบความสุขตามสมควรแก่เหตุต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป